นผูีกรบคะท่านกลังฟังรายการสันสนีสนทนานะคะสําหรับท่านมาร์คหรือว่าพระมาร์คชาคาวโรในระยะนี้ดิฉันเป็นคนขอท่านเองนะคะว่าท่านไม่ต้องเดินทางออกมาจากวัดเพื่อมาบันทึกรายการหรอกเพราะว่าการเดินทางค่อนข้างลําบากจริงๆนะคะขนาดเราๆที่สามารถจะพลิกแพลงโลดโผนได้มากก็ยังมีความรู้สึกว่ามันยากจึงคิดว่าพระภิกษุเนี่ ถ้ากว่าที่วัดน้ําท่วมอย่างกับที่วัดนาป่าพงของท่านแล้วเนี่ยนะคะอยากจะให้ท่านได้อยู่สบายๆและอีกอย่างหนึ่งในส่วนของธรรมะเนี่ยเดิฉันเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ฟังซ้ําๆได้ mm hmm. ก็เลยอยากจะกราบเรียนถามท่านพิบูลในช่วงต่อไปเลยนะคะว่าธรรมะเนี่ยเราควรจะฟังซ้ําหรือเราไม่ควรย่ำอยู่แบบที่ไปกราบเรียนถามท่านกันเลยดีไหมคะในช่วงเปิดธรรมที่ถูก ด้วยพุทธวจนะกับพระพบูลุญอภิปุล โ, โนค่ะนามส ก, กายนักคะเจริญพรค่ะที่เรื่องธรรมะว่าควรจะทําซ้ําๆหรือว่าไม่หรือว่าควรจะผ่านไปโดยเร็วนี่นะมันขึ้นอยู่กับว่าธรรมะนั้นคืออะไรที่พุะพุทธเาบอกว่าก่อนที่คุณจะตั้งตนไว้ในธรรมนั้นเนี่ยจะต้องหาจุดสมารุณของธรรมะซะก่อนจุดสมารุณของธรรมะในที่นี้คืออะไรก็คือหมายความว่าธรรมะที่ทําให้เราจิตของเราตั้งอยู่ในกุศลธรรม แล้วเราก็ตั้งตนไว้ในถ้ำนั้นอย่างผู้ปฏิบัติบางคนที่เขาทําสมาธิอย่างแน่แนแล้วนะทำที่ควรจะตั้งไว้ให้สมดุลก็คือวิปัสสนาส่วนบางคนที่เห็นการเกิดดับอะไรอยู่เรื่อยๆแล้วทำที่ควรตั้งไว้ในให้สมดุลเน่ยคือสมถะอย่างนี้เป็นต้นก็จะสลับกันไปละแต่คนอย่างในกรณีของเวลาน้ําท่วมอย่างเงี้ยสิ่งที่เราควรจะตั้งไว้คือความอดทนอย่างนี้เป็นต้นนะแทนที่จะไปหลีกเล้น เพราะว่าลีกเรนนี่มันก็คงหาญาติถ้าเราไปศูนย์พักพิงที่ไหนก็นแล้วแต่ว่าคนก็เยอะถ้าจะไปหลีกเรนมันอาจจะไม่สะดวกนะหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องต่างๆเกิดขึ้นเราต้องดูแลคนทุกคนนี้เอางั้นทําที่ควรตั้งไว้ในตอนนี้นะก็เพื่อให้มีความสมดุลก็เรื่องของความอด ท, ทนเป็นต้นอย่างนี้นคะค่ะก็เท่ากับว่าขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์กรณีไปใช่ไหมคะมแต่อะไรก็ตามการปฏิบัติธรรมเนี่ยวิธีการ มีพลิกแปลงมากไหมคะนอกเหนือจากวิธีอานาปานาสติซึ่งดูเหมือนกับว่าท่านม้าแล้วก็รายการนี้เนี่ยให้ความสําคัญมากมนําเสนอห์ตลอดเวลาค่ะคือมันจะพลิกแพลงไปได้คุณยมติวอย่างสมมติว่า เ, าเราจะพลิกแพลงไปเป็นสมถะเราจะพลิกแพลงไปเป็นวิปัสสนาเดี๋ยวเอาปีติเดี๋ยวบางทีต้องอดทนเดี๋ยวบางทีต้องไปหลีกเล่นต่าง ๆ, ๆทั้งหมดเนี่ยมันพลิกแพลงออกมาจากจิตน ะ, ะจิตจะพลิกแพลงอย่างนี้ได้ต้องมีสติเพราะฉะนั้นสติเนี่ยเป็นทุกอย่างเลยที่พระเจ้าบอกว่าเป็นธรรมอันเอก ที่เมื่อทําแล้วเนี่ย เ, เราจะได้ทุกอย่างมาหมดอะ่ะเป็นจะเป็นทางไปแห่งอมตะด้วยอย่างถ้าเรามีสติเนี่ยเวลาที่มันควรจะต้องพูดก็พูดได้ที่ควรจะต้องนิ่งก็นิ่งได้ที่ควรจะต้องอดก็อดได้ที่ควรจะต้องกินก็กินได้แต่จิตเนี่ยมีสติอยู่ตลอดคืออนาปันนัสติที่ท่านมาร์กพารมในตอนแรกนั่นแหละค่ะนะคะแล้วก็พอผ่านมาถึงตอนนี้ท่านไปบูรลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสื่อท่าเข้าใจว่า มันอดไม่ได้นะคะที่จะต้องพูดถึงเรื่องน้ําท่วมความจริงน้ําท่วมเนี่ยไม่ได้ท่วมทั้งประเทศอแต่คราวนี้มันท่วมใหญ่แล้วก็มีแต่คนพูดถึงเรื่องน้ําท่วมจึงดูเหมือนกับว่าถ้าคนยืนอยู่นอกประเทศไทยอาจจะคิดว่าน้ําท่วมทั้งประเทศไทยก็ได้ใชออ่ใช่ใชแล้วทําไมมันท่วมบางที่บางที่มันไม่ท่วมกันทั้นคะเอามันก็พูดแบบธรรมะนะคะเออถ้าพูดแบบธรรม ะ, ะ, ะอาพุทธเจ้าเคยพูดเรื่องนี้เปรียบเทียบกับเอาเปรียบเทียบกับเงินละกัน <c oughs> นะพูดถึงคาราวาดครื่อหัดเนี่ยควรจะต้องใช้จ่ายอย่างพอเพียงนะคือว่าต้องรู้กระแสงเงินเข้ากระแสเงินออกักนระแสเงินเข้ากระแสเงินออกคือรายจ่ายเนี่ยให้ท่วมอย่าให้ท่วมรายรับนะรายรับให้ท่วมรายจ่ายพูดลักษณะนี้นะแล้วนี่คือในยธิหน่1ในยะ ท, ที่2เคยเปรียบเทียบกับเรื่องของบ่อน้ําบ่อนหนึ่งนะถ้ามีทางไหลเข้าสีทางทางออกสีทางปิดทางไหลออกใชมีแต่ไหลเข้าน้ําบ่อนี้ก็ต้องเพิ่มเพิ่ม แต่ถ้าปิดทางไหลเข้าซะเปิดจะทางไหลออกน้านี้ในบ่อนี้ก็ต้องลดลงลดลงก็คือเป็นอย่างเงี้ยน้ำเข้าเนี่ยมันมากกว่าน้ำออกมันจึงท่วมง่ายง่า <Huh. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าเราเร่งระบายน้ำออกไปนะอะไรเป็นวิธีทางที่จะทำให้น้ำหนออไปมันก็ไม่ท่วมอะ่ะมันก็จะออกจากจุดๆนั้นไปได้อะนะอย่างที่ท่วมท่วมมาแล้วอย่างเชียงใหม่สิงห์บุรียุทธยาเนี่ยมันออกๆไปแล้วก็ค่อยๆลดลงอะนะ่ะเนาะ กรุงเทพมันยังมันยังออกมันยังไม่ได้มากเท่ากับเข้าใช่ไหมมันจึงท่วมได้ทีนี้คําถามที่บอกว่าทําไมบางที่มันไปบางที่มันมันไม่ท่วมทางทั้งที่อยู่ในบริเวณเดียวกันอันนี้ก็เป็นลักษณะที่น้ํามันก็เดินทางไปตามธรรมชาติของมันอย่างนี้นะก็คือไหลไปทรงสู่ที่ต่ําเหมือนอย่างที่พระเจ้าเคยเปรียบเทียบว่าน้ําในแม่น้ํำคงคาเนี่ยมันจะต้องไหลไปทางที่ตะวันออก นะถ้าใครสักคนในคนหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะเอางั้นฉันจะทําให้น้ําเนี่ยแม่น้ําคงคาเนี่ยไหลไปทางทิศตะวันตกซะนะคุณจะทําไม่ได้หรือว่าทําให้แม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยเอาไหลขึ้นเชียงใหม่ไม่ต้องไหลลงทะเลว่าคุณทําไม่ได้เ น, นจะมีแต่ความเดือดร้อนแล้วก็เหนื่อยเปล่าพระพุทาว่าอย่างนั้นค่ะอเพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามธรรมชาติอย่างนั้นใช่ธรรมชาติมันเป็นอย่างเงี้ยธรรมชาติมันเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราไปฝืนธรรมชาติมันก็จะไม่ได้ อย่างถ้าเราบอกว่าเราฉันจะไม่ตายหรอกก็คุณพูดไม่ได้หรอกเนอะมันมันเป็นธรรมชาติอ่ะเราควรจะต้องมาศึกษาธรรมชาติตรงนี้แล้วให้เข้าใจว่าโอ้เราอยู่ในสถานการ์อย่างนี้เราควรจะทําจิตอย่างไรค่ะท่านคะ่ะทีนี้พูดถึงเวลาเกิดปัญหากับมนุษย์เนี่ย ม, มนุษย์ก็จะมีวิธีการสนองตอบต่อปัญหานั้นกันหลายๆอย่างนะคะคนบางคนก็เป็นไปนในลักษณะที่ท่านพูดอย่างแรกว่าน้ำท่วมเนี่ยต้องอดทน อ่าบางคนก็มีความรู้สึกว่ามีความอดทนแต่ความอดทนมันมีขีดจํากัดอออืืใช่แล้วก็อืพอคิดว่าทนพอแล้วเอเราไม่ใช่เป็นคนทําให้เรื่องนี้เกิดหรื อ, อ ม, มันจะมีเพราะเรื่องน้ําท่วมไม่ใช่เรื่องเราทํานะคะเพราะมันมีหลายเรื่องมากในชีวิตที่เหมือนเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นคนทำํำเราก็ต้องยอมรนะับ นะว่ารักเองช้าเองอะไรอย่างนี้ค่ะทำเองก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งนั้นเองทีนี้เรื่องมืองเรื่องอย่างคล้ายๆกับเรื่องทํานองนี้ดีฉันไม่ได้ผลักไปเรื่องน้ําเรื่องเดียวนะคะเอาเรื่องในลักษณะเดียวกันน่ะที่เราไม่ใช่คนทํามันก็น่ามโหเหมือนกันนะอืมอันนี้เรามาคหาทางหาคนที่เป็นจําเลยสักคนนี่ไงคุณยมติ๋วประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าเอเวลาเราเจอน้ําท่วมใช่ไหมแล้วถึงจุดที่เราอดทนไม่ได้เนี่ยนะอดทนไม่ได้นะ สิ่งที่จะเกิดตามมาเนี่ยคือทุกขเวทนาตอนที่ยังอดทนได้อยู่เนี่ยมันจะไม่ค่อยทุกข์มากเท่าไหร่เข้าใจเราสมมติเวลาน้ําท่วมอยู่แค่ตาตุ่มอย่างเงี้ยเราพอจะวิ่ออกได้ยังเอาปั๊มไดโวมาดูดออกได้มีความทุกข์อยู่แต่ว่าทุกข์ไม่มากเท่าไหร่อันนี้ยังอดทนได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เขื่อนไอ้ถุงทรายหน้าบ้านฉันพังแล้วเนี่ยนะโอ้โหนะ้ํามันทะลักเข้ามาเอาคนกั้นก็ไม่อยู่เข้าของเปียกหมดมันเหลืออดแหละมันทนไม่ไหวจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันที อย่าเพราะนั้นไ อ, อระดับของความทุกเขเวทนาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตามระดับของความอดทนที่เรามีค่ะเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นทุกเขเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ เ, เราเอาดูที่ตัวทุกเขเวทนานะใครทําเราทําเองนะคุณโยมติ๋วว่าคุณมีความอดทนน้อยเองทํายังไงล่ะคะก็ดิฉันอยู่เฉยๆนะคะ<อ>บ้านของดิฉันนี่โอ้โหอุตสาหถมซะสูงเลยอือืมอืมอืมแล้วก็น้ําอย่างท่วมแล้วก็มีคนมาทํำท่าจัดการอย่างงน้นอย่างนี้ คือคือเราพูดถึงประเด็นในจิตของเราเนี่ยหรือเปล่าไถ้าน้ําท่วมเนี่ยเอาเรื่องของทุกขเวทนาดูความทุกขเวทนานะน้ําไม่ท่วมคนก็ยังทุกได้เนี่ยือเปล่าไมอย่างสมมุติแค่เราขับรถไปข้างนอกแห้งสนิทไม่มีปัญหาใดๆทังสิน้นมีมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าโอ้โหมันทุกขึ้นมาทันทีอันนี้ใครทํามอเตอร์ไซค์ทำหรือเราทำมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าค่ะใช่มอเตอร์ไซค์ปาดหน้ า, อาือฉ<ร><า>ันไม่เคยทําอะไรผิดเลยค่ะเกิดมาเนี่ย คือว่าความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะคือเราไปมองเขาคือมองว่าตรงนี้เป็นความทุกข์แล้วไอระดับของความทุกข์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของความอดทนถามว่าคนที่น้ำท่วมอยู่อย่างเงี้ยนะอย่างเช่นว่าคนที่ต้องใช้น้ําอย่างทหารเรืออย่างเงี้ยน้ําจะขึ้นจะลงเนี่ยเขาไม่มีปัญหาเขาไม่ทุกข์ในเรื่องนี้หรือว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นว่าปัญหาในชีวิตของเราอย่างเงี้ย ต่อให้น้ําแห้งมันก็ยังมีปัญหาอื่นที่จะทำให้เราทุกข์ได้เนาะเพราะฉะนั้นอาจมาจึงต้องบอกว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราไปมองว่ามันเป็นทุกข์มันจึงมีปัญหาซึ่งคนห ล, หลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะก็น้ํามันท่วมเนี่ยมันจึงจึงมีความทุกข์ทำไว่าคนที่เขาเจอน้ําท่วมเนี่ยนะแล้วเขาไม่ทุกข์มากมีไหมมีนะคุณยมติว๋วคือเขาก็ยังทําใจให้สบายอยู่ได้นะ ประเด็นที่มันจะเกิดตรงนี้คือว่าสมมติเรามีความอดทนน้อยหรือหรือปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกินค่าความอดทนของเราแล้วเราจะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นพอมีความทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่ากระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดื่องแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจใปรากฏจะมีด่ากาดบ้างดา่ดาคนนู้นด่าคนนี้ด่าคนรอบตัวด่าใครไม่ได้อ่าด่ารัฐบาลด่านา้ำด่าทุกคนเลยนะเพราะว่ามัน <Okay. S 1> อดทนไม่ไหวแล้ว ม, มันมีความทุกข์เกิดขึ้นใช่ไหมค่ะ okay. ทีนี้ถามว่าไอความอดทนตรงเนี้เราจึงจะต้องมันเป็นเป็นค่าที่เปลี่ยนแปลงได้คุณโยมเตีวเราจะต้องฝึกตรงนี้เพื่อที่ว่าความทุกข์ของเราจะได้น้อยลงแล้วบางคนน้ำท่วมมากน้ำท่วมน้อยเนี่ยก็ก็ความทุกข์ไม่เท่ากันเนือตรงนี้มันจะมามาเกี่ยวเนื่องกับตรงที่ว่าถามว่าคุณทุกข์คุณทุกข์เนี่ยเอาอะไรมาวัดว่าตัวเราทุกข์หรือเราไม่ทุกข์ เวลาที่เราจะวัดว่าเขาประสบความลําบากเอเจอสิ่งที่ไม่ไม่ไม่น่าพอใจอย่างนี้คุณเอาอะไรมาวัดว่าเขาลําบากหรือเขไม่ลําบากแต่คถามคุณโยมติวว่ะอ๋อก็ <c oughs> ทุกของเราอ่ะอืเราว่าเอาอะไรมาวัดเหรอคะเอาระดับน้ํามาวัด<ถ>หรือว่าเอาเอ า, เอาระดับความเป็นของเราคะ่ะอ่าถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเอาจิตของเรามาวัดว่าอันนี้ของเราอันนี้ของเรามากเท่าไหร่เนี่ยเราจะยิ่งทุกข์มากเท่านั้น อัลมาจึงบอกว่าทุกหรือไม่ทุกนั้นอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่ระดับน้ําคนที่บ้านเขาท่วมถึงสองเมอถึงชั้นหนึ่งหายหมดแล้วเนี่ยนะเขาอาจจะยังไม่ทุกเท่าคนในเมืองที่น้ํายังแห้งอยู่ด้วยซ้ําตอนนี้ก็มีคนพูดแบบนี้เหมือนกันนะคะว่าทุ่นท่วมสักทีเถอะนี่รออยู่นานแล้วนะเนี่ยทั้งป้องทั้งกัน ก็ไม่มาสัทีมามาซะรู้แล้วรู้รอดไปใช่เพราะฉะนั้นความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้แปลตามกระแสะภายนอกแต่มันอยู่ที่ความยึดถือในจิตใจของเราเรื่องเงียวยึดมากเท่าไหร่เราจึงยิ่งทุกข์มากเท่านั้นยิ่งคุณมีความอดทนน้อยเท่าไหร่คุณจะยิ่งทุกข์มากเท่านั้นท่านคะ่ะอมางคนก็จะเถียงท่านเลยนะคะว่าโอท่านยังไม่ได้ยกตัวอย่างไอหินหินแบบที่เจอสิ่งที้มันเน่าแล้วนะรอบตัวเนี่ยอืมไม่ไหวเลยนะ เอาแย่เท้าลงไปมันก็กัดเท้าเราแล้วแล้วแถมยังจะมีงูเงืออะไรอีกถ้าสมมติว่านะคะอดทนแล้วได้อะไรหรอคะอดทนเราจะได้กําลังจิตไงจะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งหรือถ้าอดทนไม่ไหวนะก็ย้ายไปอยู่ศูนย์พักฟิงที่อุดรก็ได้วัดป่าตอนไนโศก็เป็นศูนย์พักฟิงดิฉันไม่ได้ถามเรื่องศูนย์พท่านเลยคือถ้าอดทนไม่ได้ ให้ย้ายไปอยู่ที่นั่นแต่เดี๋ยวขออนุญาตถามแบบไม่ย้ายก่อนนะคะ <c oughs> คือย้ายไปอยู่ที่นั่นในของตายดิฉันเลยไม่รีบถามอเพราะว่ายัางไงท่านยังเปิดรออยู่ใช่ไหมคะก <c oughs> <c oughs> ็เปิดไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะศูนย์พักพิงวัดป่าดอนายโศกดิฉันต้องบอกเป็นของตายนี่ไม่ใช่ว่ามองให้ต่ําลงนะคะมองว่าเป็นของสูงค่ะคือใจสูงมากท่านรับตลอดเนี่ยคอยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยพูดถึงเอาเรื่องที่ว่าอดทน แบบไม่อบยบเนี่ยอดทนแล้วมันได้อะไรท่านบอกว่าได้อะไรนะคะเมื่อกีออ้ได้ความงดงามอ๋อที่จะมาพูดคือได้กําลังจิตจิตเราจะมีความเข้มแข็งจิตมีความเข้มแข็งมราได้อะไรหรอคะ อ, อจิตที่มีกําลังเนี่ยจะนําให้เราเห็นเห็นตามที่เป็นจริงอดทนเนี่ยจะทําให้เข้าสู่สมาสมาธิได้ง่ายพูด ง, ง่ายๆอย่างนี้ละกันพอจิตเราเป็นสมาธิได้ง่ายแล้วเราจะเห็นตามที่เป็นจริงได้ง่ายอดทนเรื่องน้ําท่วมเนี่ย จิตจะเป็นสมาธิได้ง่ายเลยเหรอคะถูกต้องอันนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าบุคคลในบุคคลหนึ่งเนี่ยอดทนต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจนะอดทนอดทนต่อ6อย่างนี้ได้เนี่ยจะเป็นผู้ง่ายต่อการเข้าสู่สมาธิ<ช>อันนี้บทเพียรเจะิญของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพอเวลาจิตเราเข้าสู่สมาธิได้ง่ายใช่ไหมจะทําให้เห็นตามที่เป็นจริงทําให้เห็นตามที่เป็นจริงเราจะปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ก็ครกําหนัดได้ใครกําหนัดได้ก็หมดความทุกข์ทุกน้อยลง ออันนี้เรียกว่าเป็นอานิสง์ของน้ําท่วมวิกฤตน้ําท่วมเป็นโอกาสใช่ใชอันนี้ก็ได้ที่จะพ้นทุกได้ง่ายถ้ามองในทางธรรมออีกแง่หนึง่งที่พุทธเจ้าเคยพูดไว้กับอายุตัวอย่างของพระอินทร์เนี่ยทา้าวสกัดเทวราชพูดถึงความอดทนเนี่ยเป็นความงดงามเป็นความงดงามในของบุคคลที่อยู่ในธรรมะว้นไหนนี้นะคนที่นับถือศาสนาผู้คนที่นับถือพุทธเ้าเป็นที่พึ่งเนี่ยคุณยิ่ยงจะต้องอดทนเลย อ่าเพราะว่าถ้าคุณอดทนแล้วจะเป็นผู้ที่งดงามอยู่ในธรรมวินัยนี้ได้คุณจ้าวว่างัเป็นความงดงามของผู้ที่อยู่ในธรรมวินัยนี้นะท่านคะมีลูกศิษย์ท่านคนหนึ่งนะคะได้ส่งข้อความขึ้นบน Facebook เรื่องอดทนพอดีเป็นน้องที่ดิฉันรักมากขออนุญาตที่จะมาพูดในช่วงท้ายของรายการวันนี้ได้ไหมคะได้ได้น้องสายฟาเรนไฮนะคะศิลปินของแกรมมี่ที่ท่านฟังเพลงเขาอยู่เนะี่ยเธอโพสต์ขึ้นไปบนเฟซบุ๊กบอกว่า จงอดทนกับบุคคลที่อดทนได้ยากจงเมตตากับบุคคลที่เบียดเบียนเราทางกายทางวาจาทางใจรวมทั้งหมดหมายความว่าอะไรคะเนี่ยก็คือเป็นการรักษาผู้อื่นถ้าเรารักษาผู้อื่นด้วยความอดทนด้วยเมตตาจิตความรักใคร่เอ็นดูไม่เบียดเบียนเนี่ยจะทำให้เราเป็นผู้ที่รักษาตนเองด้วยค่ะนะคะก็ มีเวลาที่จะสนทนากับท่านพิบูลอีกค่ะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยมีตั้งห้าวันนะคะต่อสัปดาห์ส่วนวันเนี้ยคงจะมาสรุปสุดท้ายที่ว่าถ้าจะไปศูนย์พักเพิงวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีเพราะเริ่มทนอะไรทั้งหลายทั้งปวงรอบตัวที่นี่ไม่ได้แล้วอืทํายังไงคะท่านคะก็มาได้เราอยู่จังหวัดอุดรธานีรายละเอียดต่างๆนี่ก็ดูที่เว็บไซต์หลวงพ่อด็อกเตอร์ .com ไดน้นจะเป็นแผนที่สถานที่กันเดินทาง หรือว่าถ้าจะโทรศัพท์ติดต่อก็ที่คุณสุภาพสกุลมีศักดิ์เป็นเจ้าหน้าที่ของวัดที่ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าเก้าสี่สี่หกสี่เจ็ดหนึ่งนะคะนก็ติดต่อกันไปวันนี้ในะมหการขอบพระคุณท่านพิบูลน์เป็นอย่างยิ่งค่ะเระ่ท่านฟังที่ครพค่ะติดตามฟังกันต่อนะคะเรื่องน้ำท่วมยังคุยกันได้อีกหลายวันละคะส่วนในวันนี้จะส่งท้ายว่าหนังสือผู้ทวัจนะที่ท่าน คลิปนะคะได้มีลูกศิษย์ลูกคามาร่วมกันสร้างแล้วก็เมตตามอบให้เราเป็นประจำทุกวันแจกวันละ3ท่านเนี่ยยังมีอยู่นะคะท่านติดต่อมาที่ 02.269.0006 เบอร์เดียวกันนี้ส่งคำถามมาก็ได้หรือว่าจะส่งไปที่ท่านพบูลโดยตรงที่เพียวธรรม a .com/ 106ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้เราก็คงจะลาท่านไปทุกๆ ท, ท่านโดยจะฝาก กันไว้อีกครั้งหนึ่งที่เรื่องของความอดทนที่คุณทรายฟอร์เรนไฮน์นี้เธอเป็นผู้ปฏิบัติด้วยนะคะดิฉันขอเอาสิ่งที่เธอโพสต์บน f a c e b o o เมาทิ้งท้ายว่าจงอดทนกับบุคคลที่อดทนได้ยากจงอดทนกับบุคคลที่จงเมตตาค่ะกับบุคคลที่เบียดเบียนเราทางกายทางวาจาทางใจพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พุทธวสตีค่ะ